อันนี้เราคุณค่าของหมือนการศึกษาเราเรียนเรารู้จักเคารพนับถือไปอย่างนี้ตามฐานะเรีครูบาอาจารย์วิดามาดาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นนักศึกษาเราเรียนมาดีแล้วบางคนก็ก็ถือว่าผมรู้นั้นบางพีอผิดก็ได้ผูกก็ได้ดังนั้นที่หลวงพ่อมานี่ก็เพื่อจะคํามเข้าใจพวกเราจะไม่ใช่มาสอนเนีย่ยมาทํความเข้าใจ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 นิปโป้งมันดีไม่ดีดียังไงมันก็ใหญ่ก็งอทั้งหมดอ๋อไม่เห็นอะไรได้ไหมไมันไม่ทําอะไรได้ไมันจะแปะโป้งตนเองคนเขียนมันซื้อไม่เป็นหลวงพะอไปทําขอให้เซ็ น, เ น, น, น, เ น, น, เนซื้อไม่เป็นว่าต้องแปะโป้เนว่ะเกี่ยวข้องกับระเบกฎหมายบ้านเมืองมีโป่งคนเขียนเขาซื้อไม่เป็นเคยเห็นไหมแปะโป้เข้าไปเอาดิปโป้งมันมีหน้าที่แปะโป้งบ้านงนดิ้วซีน่ะมันหน้าที่จะซีคนนั้นคนนี้เขาว่าหนึ่งดิ้วซีนจะซีคือขู่หรือพูด เรียกว่าพ่อแม่เราก็เป็นผู้ปกครองลูกก็ต้องอาสายัยดิวซีเมื่อซีผิดก็ยังไปเอาด้วยอีกแนี่นี่ขนาดนี้ดิวซีนี่ก็ใหญ่เดือนนี้นี่ก็สูงนะเขาฐานกันเรื่อมาห้านี่เนี้ยใครใจใหญ่เดือนเราไม่มีที่ดิวซีเธอใหญ่เธอทําทอะไรได้นะ่ะเมื่อจะทําอะไรก็ต้องอาศัยสันดิวซีบัตซีก็ต้องคนที่ด้วซีนะเธอมีหน้าที่จะซีนะเนี่ยยังไม่สูงพอสันเดี๋ยนี้มันสูงก็เกินทั้งหมด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 ที่เราไปทำที่ไหนอะไรการ น, นั่งการ น, นอนการพูการคุยเช่นเดียวกันทั้งนั้นเมื่อเราในขณะที่เราทำนั่นแหละเราไม่เคยได้มองตัวเราในขณะที่เราทาเราไปมองตั้งแต่คุณดีกรมงามตั้งแต่เมื่อต่อไปคุณดีครมงามมีอยู่แล้วแต่เราไปมองจนในทางที่ดีทั้งนั้นในาทางที่ผิดเราไม่เคยได้มองอันนี้เอามาเตือนกันเราต้องมองคนผิดให้มาก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 ไม่ผิดเลยธรรมะที่มีในหลักสูตรทำสันติมีสี่ข้อดึกข้อที่แรกที่สุดว่าธรรมที่มีอุ ป, ปกรณมากสองอย่างคืออะไรบ้างสติกลลึกได้สองสำปราสัญญัติผลรู้ตัวแต่เราพูดได้คือเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวแต่รู้น้อยที่สุดเนี่เป็นอย่างนั้นข้อที่สองต่อไปว่า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 การรู้แจ้งรู้จริงกับรู้จานั้นจึงเป็นคนรู้กันรู้ไปเหมือนกันคนะาว่าทมที่มีอุปกรามากสองอย่างหนึ่งสติคม ล, ลึกได้ต้องละลึกได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ก่อนทําตอนพูดกอนคิดเขาว่าจังเขาเขาว่าจั ง, งเมื่อปุชเชนดีก็เลยมาพูดเอาทีเดียวว่าทมที่เป็นโลกกระบาลคุมของโลกสองอย่าง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 มึงทําไมไม่มึงมึงทําไมจะไม่ให้กูไปเลยกูไม่ไปกับมึงมึงจะไปกับไปตี้เหัวกูไม่ไปเน่ยหามันไม่ยอกไปไม่ปล่อยไปแล้วอ้าววันนี้ก็มันเหี้เอามึงจะพากูไปกับไปตี้เนี่ยกูยอมมึงอ่ะมึงให้กูไปกูกลับไปตี้มึงกบมาหามไปพอเดียหามันแก้วจากหลักแล้วกับเดินไปหามไปหามก็นําหัวไปหางมันไม่มีตานะเข้าใจไหมไม่มีตาไม่มีหูหามกําแหลมไป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 ไม่ไม่เคยเสื้อถือกันเลยคือใช้ตามอารมณ์วูกว่าทีเดียวเท่านั้นผลที่สุดทั้งสองทางในจมด้วยกันทั้งนี้เหมือนกับหัวงูัองนึ่งูัเองงนั้นเราทำอะไรพูดอะไรต้องอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราไม่อาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะมีทุกข์ตลอดไปเม่ชีวิตของคนนี้เกิดมาเป็นคนทังชาติ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 ไปเป็นครูก็จะทุกข์เหมือนเดิมนั่นเนี่ยเนะพราะเราไม่รู้อันนีนะ้ให้เราระวังดีๆให้ครัวบาปกินสีบาปแล้วอันยักหนีจากบริษัทขบากแล้วหยักหนีจากครูขบากแล้ ว, ลวนะพูดเด้เรียนนี้อาจารย์กินสีหรือใครๆก็าตามเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินคนไปพูดอะไรกับหมือนพ่อหลวงพ่อจำได้ <c ười> คุณก็เคยพูดเนี่ย <c ười> คยุณทไปเกียรติก็เคยพูดเหมือนกันเนี่ยทำนั้นเดี ย, ยหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้นจะมีใครคิดให้ดี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 คือมันเห็นไปแล้วมันมันไม่ถูกต้องคือมันเห็นความเห็นสอ บ, สอบเห็นสอบกับเห็นทุกต้องคนละคำกันนะเห็นสอบคขาเนเห็นสอบในเห็นซอบใจบางทีอาจจะสอบกิเลสก็ได้บางทีอาจจะสอบใจก็ได้อันถูกต้องเนี่ยมันมันถูกและไม่ผิดย้ายมันถูกต้องตามกิเลสหรือมันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสอบก็มันซ่อบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าย้ายมันสอบใจทางที่ผิด